ขอนอบน้อมพรัตนาตัยข อ, อกาศพระอาจารย์ยุกิพระอาจารย์ทรงสิลแล้วก็ข อ, อการเพื่อนสศรษฐมิตทุกท่านเจตนธรรมทุกคนทีพูดมากๆกนี่ก็ไม่มีอะไรจะพูดนะ <c oughs> ไปที่ไหนก็ส่วนใหญ่ก็จะพูดไปเดินทั่ตรงก็ไปพูดนะ สอนทุกแทบทุกเช้านะแม้แต่ไปพม่าก็ยังไปสอนสอนกันในกลุ่มนั่นแหละนะไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไปเราก็ไม่ได้ไปแค่ไปดูสิ่งภายนอกนะแต่เราก็ไปแล้วก็ชี้ชวนกันดูสิ่งภายในใจของเราด้วยเวลาเดินทางไปที่ไหนก็ดูดูปฏิกิริยาของใจ ดูที่ไหนก็ดูเวลาตากระทบรูปรู้สึกอย่างไรนะ ห, นหูได้ยินเสียงรู้สึกอย่างไรจมูกได้กลิ่นรู้สึกอย่างไรดินกระทบรูดรู้สึกอย่างไรนะกายสัมผัสขับความร้อนความหนาวขับความเหนื่อยความหิวกับการเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งเรารู้สึกอย่างไรหรือแม้แต่ใจมันผุดคิดขึ้นมาของมันเอง เรารู้สึกอย่างไรอันนี้คือสิ่งที่เราจะเรียนรู้ก็คือเรียนรู้ทางตาหูจมูกรินกายและใจนี่แหละนะโรคก็คือสิ่งที่รอบตัวเนี่แหละนะเราเรียนรู้โลคภายนอกแต่เราก็ไม่ลืมเรียนรู้โลกภายในนะโรคภายนอกมันเป็นเช่นไรโลคภายในก็เป็นเช่นนั้นแหละนะแต่ถ้าจะเรียนให้ง่ายที่สุดก็คือเรียนรู้จากโรคภายในนี่แหละสิ่งที่ตากระทบนะ คืออายตนะทั้งหมดอายตนะภายในอายตนะภายนอกดูความสัมพันธ์กันเป็นเช่นไรนะเราจะรู้โลกให้จบครบถ้วนก็จากตรงนี้แหละนะเหมือนที่เราได้สวดนะถ้าเราเห็นโลกใบนี้นะมันมีแต่ความมันมีแต่ความทุกข์นะมีแต่ความไม่เที่ยงมีแต่สิ่งที่มันเป็นไปของมันเองนะเราจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความคลายกาหนัดในโลกใบนี้นะ เห็นโลกไปนี้เป็นความทุกข์นะเห็นไหมก็ดูดูลงไปกายนี้มันเป็นทุกข์หรือเป็นสุ ข, ขนะก็ดูลงไปที่กายของเราเนี่แหละไม่ต้องไปดูหรือบางทีเราเห็นกายผู้อื่นแล้วก็เออกายที่เราอาศัยอยู่นี่มันก็เป็นเช่นเดียวกันนะมันมีแต่สภาวะที่ทุกข์นะนะเดี๋ยวก็กินเดี๋ยวก็ทายเดี๋ยวก็เมื่อยเดี๋ยวก็หลับเดี๋ยวก็ตื่นเดี๋ยวก็ทํานั่นทนํานี่แม้แต่นั่งก็ต้องขยับ เอาเยาะวะร่างกายขยับเขยื้นเคลื่อนไหวมีแต่อาการที่แก้ทุกข์บรรบัตรทุกข์บันเทาทุกข์เออถ้าเราต้องดำดงธาตุขันอยู่ต่อไปมันก็ต้องเพียงแค่บันเทาทุกข์แค่นี้เนาะเกิดมาใหม่ก็มีการแก่เจ็บตายเป็นแบบนี้ตลอดไป <_ d> um> โลกใบนี้มันมีสุขที่ไหนนนาะมันมีแต่ทุกข์ทางนั้นนะมีแต่สภาวะที่ทุกข์ถ้าเราเห็นกาย <_ d> um> เห็นรูปมันมีแต่สภาวะที่ทุกข์ นะอย่างเราดูการเคลื่อนไหวดูลมหายใจจะดูอะไรก็แล้วแต่ดูสินะไม่ใช่ดูแค่ว่ามันเปลี่ยนแปลงเช่นไรดูให้นึกลงไปถึงความทุกข์ที่มันซ่อนอยู่ในนั้นเนาะเราดูนะเรานั่งเราเดินอะไรก็แล้วแต่ดูดูรูปมันทุกข์ดูรูปมันทุกข์นะมันเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเปลี่ยนทุกข์นะไม่ใช่อะไรเลยนะอย่าที่พระเจ้าท่านสอนให้รู้จักทุกข์แั้นการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไร น่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ให้ศึกษาลงที่ตัวทุกูปมันเป็นทุกข์อย่างไรดูลงไปเลยมันเป็นทุกข์อย่างไรนะทุกข์เพราะความเปลี่ยนแปลงบ้างหรือว่าทุกข์ตามสภาวะสังขารร่างกายบ้างนะทุกข์เพราะความบีบคั้นต่างๆบ้างดูรูปมันเป็นทุกข์นะหรือนะบางทีมันก็จะเห็นเลยว่าแม้แต่ใจมันก็เป็นทุกข์นะนะ ใจมันก็เป็นทุกข์ของมันนะมันอยู่นิ่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์อ่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันบังคับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นทุกข์อ่าใจมันเป็นเช่นนั้นเองแม้แต่สภาวะที่สุขมันก็สุขชั่วคราวเท่านั้นนะสุขแล้วก็เปลี่ยนแปลงกลายเป็นทุกข์ใหม่อันนี้คือสภาวะถ้าเราไปดูที่ไหนๆนะเห็นเห็นแต่ความเป็นทุกข์มันจะเบื่อหน่ายคายกาหนัด ในร่างกายแล้วก็จิตใจนี้ลงไปนะจะทำอะไรก็ได้แต่ก็เนี่ยคอยหมั่นมาดูสิ่งต่างเหล่านี้ดูสิ่งภายนอกดูคนอื่นภายนอกเขาย้อนกลับมาดูดูกายดูใจของเราเองนี่แหละเพราะว่ากายแล้วก็ใจของเราเนะี่ยเป็นเรียกว่าเป็นเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตก็ว่าได้นะเรียนรู้พุทธศาสนาคือการเรียนรู้ตรงนี้แหละการที่จะเรียนรู้สิ่งต่างเหล่านี้ได้ สิ่งที่สาคัญก็จะย้ำกันทุกคนในที่นี้เนาะหลวงพ่อก็ย้ำถ้าเราไม่มีสติเราจะไม่เห็นสภาวะตัวนี้เราจะไม่มีปัญญาเพราะว่าสติเนี่ยเป็นเครื่องมือที่ทำให้ศึกษาเรื่องของรูปเรื่องของนามหรือเรียกง่ายงว่าเรื่องของกายเรื่องของใจเพราะว่าสติเนี่ยจะทำให้เราเรียกว่าจับสภาวะอารมณ์ในปัจจุบันให้มาดูที่เราดูมือเคลื่อนไหวก็ดี ดูเท้าเคลื่อนไหวก็ดีอันนั้นเป็นเพียงแค่อวัยวะแต่ให้ดูลึกลงไปเห็นรูปทั้งรูปมันเคลื่อนไหวอย่างไรนะอะมันหยุดนิ่งอย่างไรมันเป็นทุกอย่างไรมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรดูให้ขยายลงไปมากกว่านั้นนะอย่าดูให้เห็นเพียงแค่ยกมือหรือว่าเท้ากระทบหรือว่าเท้าเดินแต่ให้รู้สึกไปทั้งกายทั้งกายว่ากำลังทำอะไรนะกายมันกำลังนั่ง แต่มีสภาวะที่มันเด่นคือการเคลื่อนไหวของมืออันนี้แต่อันนี้คือเป็นภาษาแต่ถ้าจะโดยความรู้สึกตัวชัดๆก็ไม่ต้องมีภาษาพูดเรียกว่ามือเรียกว่าแขนเรียกว่าขาอะไรแค่รู้สึกแบบนั้นไปเห็นเหมือนกับหุ่นยนต์เหมือนกับหุ่นยนต์ตัวหนึ่งที่ไม่ใช่เรามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปมันเดินมันยืนมันนั่งมันนอนมันหิวมันปวดมันเมื่อยนั่นก็ดูแบบนี้ไปเห็นสภาวะของรูป มาเป็นอาการอย่างหนึ่งใจที่มีสติตั้งมั่นเพียงแค่ผู้ดูสังเกตการดูการเปลี่ยนแปลงของรูปนะสติทรหน้าที่เป็นเพียงแค่ผู้ดูดูอาการของรูปเขาเดินดูอาการของรูปเขานั่งเขานอนก็ดูมันไปแบบนะั้นดูไปเรื่อยเแล้วครัวนี้มันก็จะมีความคิดมันจอนเข้ามานะความคิดมันจอนเข้ามาอยู่บ่อยบ่อยนะแล้วก็เห็นอ้อไอรูปมันก็ทำแบบนั้นของมันไปแต่ความคิดมันก็จอนเข้ามา ความคิดมันก็ไม่ใช่รูปนะแต่มันก็จรเข้ามาสติมีหน้าที่เพียงแค่เห็นเอ้ารูปมาทำแบบนั้นอยู่ความคิดมันมาแบบนี้เอ้ามันเป็นคนละส่วนกันนี่ไอตัวที่ดูตัวที่เห็นนี้ก็เป็นคนละส่วนกันตัวที่ดูนี่มันตั้งมั่นมันดูเฉยๆรูปมันก็ทำของมันไปไม่ได้ไปจมอยู่กับรูปความคิดอารมณ์มันเกิดขึ้นเอ้ามันก็คิดมันก็คิดไปอารมณ์เกิดขึ้นก็เกิดไปสิ ถ้าเราไม่เข้าไปเป็นกับเขามันก็ไม่เป็นไรแล้วนี่นะสติมันก็ตั้งมั่นในการดูเฉยๆดูอารมณ์เกิดขึ้นนะผู้ที่ฝึกนะไม่ใช่ว่าจะไม่มีอารมณ์มีอารมณ์สุขมีอารมณ์ทุกข์มีปิติมีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ ว, ว่ามีแล้วไม่เข้าไปเป็นนะเห็นเพียงว่าอ๋อมันเป็นเพียงแค่เหตุแค่ปัจจัยมันยังมีสัญญาอยู่ยังมีสังขารอยู่ ยังมีวิญญาณมันก็ต้องเกิดเวทนาเป็นธรรมดาให้พวกต่างๆเนี่ยมันประกอบกันแต่เพียงแต่ ว, ว่าพอสติมันเห็นนะมันก็ไม่เป็นกับอาการของความคิดอาการของอารมณ์ต่างๆนะสติกขาทาหน้าที่เพียงเพียงแค่ผู้เห็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นนะสติมันเป็นตัวเนี้ยความเป็นกลางหรือว่าจิตตั้งมั่นคือตัวเนี้ยมันก็คือสภาวะที่ดูที่รู้ที่เห็นเฉยๆรูปมันจะเป็นอะไรก็เรื่องของมันความคิดอารมณ์ จะเกิดขึ้นก็เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเราแต่ถ้าเราสติเราไม่เราไม่ตั้งมั่นหรือว่าถ้าเราไม่รู้ไม่รู้สึกตัวจริงๆนะเราก็จะไปเรียกว่าไปจ้องลงที่รูปนะจ้องลงที่รูปไปกำหนดที่รูปนะไม่ให้สติเรียกว่าไม่ให้มันเผลอรหรือว่าไปเรียกว่าไปกำหนดมากเกินไปอันนั้นก็จะกลายเป็นเรียกว่ากลายเป็นสมัฐานกรรมาฐานนะหรือว่า มันเรียกว่าไปจ้องไปเพ่งนะไปบังคับเกินไปนะบางทีก็ไม่ใช่เป็นสมาธิหรอกมันไม่ได้สมาธิมันกลายเป็นความเครียดกลายเป็นความบีบคั้นของจิตนะทำไปนานๆไม่ใช่แต่จิตมันเครียดกายก็เครียดตามไปด้วยเพราะว่าอะไรมันตั้งใจมากเกินไปมันกำหนดมากเกินไปนะเราก็รู้ทันหรือบางทีก็ไม่ใช่ไปเพ่งจ้องที่กายนะแต่บางคนไปเพ่งจ้องที่ใจ ไม่ให้ความคิดมันเกิดขึ้นไม่ให้อารมณ์เกิดขึ้นพยายามเรียกว่าทำให้มันเฉยเยตลอดเวลาไม่ใช่นะก็คือเราบังคับให้มันเฉยเฉยตลอดเวลาไม่ได้มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของเรานะอย่าไปกดข่มอารมณ์อย่าไปบังคับอารมณ์นะจะเป็นอารมณ์ทางทางรูปก็ดีหรืออารมณ์ทางนามก็ดีไปบังคับไปกดขม่มนะมันไม่ใช่ทางที่พระเจ้าท่านสอน แต่การหลงดืมกันเรียกว่าตามเพลินไปกับอารมณ์ไปกับความคิดก็ไม่ใช่ทางเช่นเดียวกันนะเราแค่เห็นความคิดเกิดขึ้นเห็นอารมณ์เกิดขึ้นเห็นเขาผ่านมาเห็นเขาผ่านไปไม่ใช่เราเข้าไปเป็นกับเขาด้วยนะทติก็ทําหน้าที่พิมแค่เป็นผู้รู้ผู้ดูผู้เห็นทุกสภาวะอาการที่เกิดขึ้นอันนี้คือจิตที่มันตั้งมั่นนะเมื่อจิตมันไม่ มันตั้งมาแล้วมันก็ไม่เป็นกับทุกอย่างนะแต่บางทีมันก็มีการหลงการเผลอเป็นธรรมดานะเข้าไปเผลอเออเผลอไปกับความคิดบ้างเผลอกับอารมณ์บ้างหรือว่าไปเพ่งไปจ้องบ้างก็แค่รู้ทันนะความเข้มแข็งหรือว่ากําลังของสตินะก็คือเกิดจากการที่เรารู้ทันสภาวะอารมณ์ที่มันผิดปกติไปนะมันจะเกิดจิตดวงหนึ่งที่รู้ว่าอ๋อสภาวะจิตที่ เป็นปกติมันเป็นเช่นนี้สภาวะจิตที่ไม่ได้สุขไม่ได้ทุกข์นะหรือว่ามันเรียกว่ามันสภาวะที่เรียกว่ามันพ้นจากความทุกข์มันเป็นเช่นนี้เมื่อจิตมันเข้าไปเรียกว่าไปทุกข์เมื่ อ, อไหร่น่จะทุกข์จากเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกข์เพราะเข้าไปเป็นกับเรื่องของรูปหรือว่าทุกข์เพราะเข้าไปเป็นกับเรื่องของนามจิตตัวนี้มันก็จะ ดดออกมาจากสภาวะทุกข์ตรง น, นั้นเพราะว่ามันเห็นแล ว, ว่าอ๋ออันนี้แหละจิตมันเป็นทุกข์แล้วนะมันก็กลับมาสู่สภาวะที่จิตมันไม่ทุกขนะ์จิตที่มันไม่ทุกข์มันมีอยู่เป็นปกตินะมันมีอยู่เป็นธรรมดาสภาวะปกติตรง น, นี้แต่เพียงแต่ว่าคนเราลืมคนเราหลงคนเราเผลอไปจากสภาวะตรง น, นี้ก็ได้เข้าไปจมกับอารมณ์ต่างๆดั ง, งนั้นการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรมากเพียงแต่ว่า เบื้องต้นก็คือพยายามเรียกว่าเบื้องต้นก็เรียกว่ารู้สึกตัวให้มันถูกนะรู้สึกตัวให้มันถูกก็คือรู้นะรู้เห็นอาการของกายหรือว่าอาการของใจด้วยจิตที่ตั้งมั่นด้วยจิตที่เป็นกลางด้วยจิตที่เรียกว่าไม่จมไม่แช่ไม่วันไหวไปกับทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้คือความรู้สึกตัวหรืออีกอย่างนึงก็คือว่าไม่ได้รู้แค่ส่วนใดส่วนหนึ่งรู้สึกตัวก็คือ รู้ไปทั้งตัวมีสภาวะของผู้รู้แล้วก็มีสภาวะของผู้ที่ถูกรู้สติคือผู้ที่รู้อารมณ์ภัยอารมณ์คือสิ่งที่ถูกสติรู้อารมณ์ก็แบ่งเป็นสองส่วนก็คืออารมณ์รูปแล้วก็อารมณ์นามอันนี้แหละคือสภาวะรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวได้แล้วคราวนี้ก็ดูอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะ มันจะสุขมันจะทุกข์มันจะดีไม่ดีก็ขอให้ใจเป็นกลางดูแบบสภาวะที่เรียกว่ามันไม่ใช่เราเราไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในอารมณ์ในอาการตรงนั้นแต่เป็นรูปก็ดีนะรูปมันจะแข็งแรงมันจะสบายหรือรูปมันจะเจ็บไข้ได้ปวดมันก็ไม่ใช่เรานะให้ดูเป็นเช่นนั้นดูโดยใจเป็นกลางแบบนั้นหรือแม้แต่ความคิดเกิดขึ้นความคิดเกิดขึ้นก็ไม่ใช่เราจะฟุ้งซ่าน หรือจะคิดดีหรือจะคิดไม่ดีมันก็ไม่ใช่เราให้ดูไปแบบนั้นดูอหอเราเป็นเพียงแค่ผู้ดูอยู่แต่อาการความคิดมันไม่ใช่เรามันเกิดขึ้นก็เรื่องของมันนะจิตมันตั้งมัน่นอยู่แบบนี้แต่ถ้ามันเผลอไปเป็นกับความคิดไปกับอารมณ์แล้วก็กลับมาสู่ฐานกายให้มันเร็วนะเมื่อมาไปจมกับความคิดจมกับอารมณ์ก็กลับมากลับมาแบบไม่ใช่ว่า โกรธหรือเกียรติหรือว่าปฏิเสธเขาแต่ เ, เพียงแต่ ว, ว่าเรามาให้ค่าให้ความสําคัญกับการสร้างสติใหม่นะแสดงว่าตอนนั้นกําลังสติมันอ่อนไปก็เลยต้องกลับมาเรียกว่ามาสร้างสติให้มันมีกําลังมากขึ้นให้มันมีอินทรีย์ให้มันมี C, มนมกําลังแข็งกล้าขึ้นอันนี้คือเมื่อเราดูแบบนี้ไปบ่อยคราวนี้ก็มันก็จะรู้ลึกลงไปถึงอาการของจิตมันจะรู้เห็นได้ว่าจิตที่มันตั้งมั่นเป็นเช่นนี้ จิตที่เป็นปกติเป็นเช่นนี้ครั้นี้มันจะเห็นเลยว่าจิตเดิมแท้มันเป็นเช่นไรอาการของความคิดอารมณ์นี่มันไม่ใช่เรื่องของจิตเดิมแท้นะมันเป็นเพียงแค่อาการที่มาครอบงําจิตแต่มันไม่ใช่จิตหรอกนะเมื่อไห L รจะเอารู้เท่าทันว่าอ้อความเป็นปกติที่แท้จริงมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันไม่ได้แปรผันไปกับทุกสิ่งทุกอย่างแต่เพียงแต่วความคิดหรืออารมณ์เนี่ยมันมาครอบชั่วคราว แต่มันมาครอบก็ไม่ใช่ของจริงนะมันเหมือนกับดวงอาทิตย์กับเมฆหมอกเมฆก็เป็นส่วนหนึง่งแต่ดวงอาทิตย์ก็ส่วนหนึง่งดวงอาทิตย์มันสว่บบางสวยอยู่เป็นปกติอยู่แล้วเมฆหมอกมันมาบังมาบังแค่ชั่วคราวแต่ความสว่างสวยของดวงอาทิตย์มันมีอยู่เป็นปกติอยู่แล้วอันนั้นจิตเดิมแท้หรือจิตที่ประพัดสอนผ่องใสหรือว่าจิตที่ปกติจิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับอารมณ์มันก็มีอยู่แล้ว ความคิดอารมณ์มาเกิดขึ้นชั่วคราวเท่านั้นนะเราก็ดูไปเช่นนั้นอ้อย้อนกลับมาดูว่าสภาวะปกติมันเป็นเช่นนี้ไอ้สภาวะไม่ปกติมันก็ดับไปของมันเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ไปเอาว่าเป็นตัวเป็นตนของเรานะเรากลับมาสู่สภาวะที่ปกติสภาวะที่รู้อยู่เช่นนี้แหละอันนี้คือการปฏิบัติธรรมไม่ได้มีอะไรมากแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเรียกว่าทาให้มันต่อเนื่องนะทาตลอดเวลา จะยืนเดินนั่งนอนจะกระทำในรูปแบบหรือกระทำนอกรูปแบบก็พยายามตามรู้อยู่ตลอดเวลานะรู้ลงที่ปัจจุบันตรง น, นั้นแหละอะไรจะเกิดขึ้นเราก็รู้เช่นนั้นนะไม่ได้แตกต่างกันเลยไม่ได้แตกต่างกันนะเราจะกระทำในรูปแบบแล้วก็พยายามทำให้ใจสบายๆไม่เคร่งเครียดไม่จ้องไม่ตั้งใจจนเกินไปทำแบบรู้เล่นๆรู้เบาๆ รู้เรื่อยๆนะหรือแม้แต่กระทํานอกรูปแบบก็พยายามเรียกว่ารู้ทันอารมณ์นะเพราะว่าบางทีถ้าสติเราอ่อนเราก็จะเผลอไปกับเพื่อนนะเวลาคุยกันเวลาทํางานทําการก็ไปจะเผลอเข้าไปกับการงานมากเกินไปหรือบางทีออกไปข้างนอกก็จะเผลอไปทางตาทางหูนะเราก็รู้ทันอ๋อมันเผลอไปแล้วเนาะแต่พอเผลอไปแล้วสติมันรู้ทันมันก็ไม่เป็นไรนี่ก็ได้ประโยชน์ ได้เห็นว่าอ้อสภาวะเผลอเป็นเช่นนั้นสภาวะกลับมาของมันเองก็เป็นเช่นนี้นี่เองมันก็เป็นการเรียนรู้เช่นกันนะเราไม่ได้บังคับให้จิตมันไม่เผลอไม่ใช่บังคับให้มันไม่มีความคิดแต่หลักสําคัญคือการรู้ทันมันเผลอไปก็รู้ทันมันไม่เผลอไปก็รู้ทันนะสภาวะตัวนี้คือแค่รู้ทันมันเฉยอันนั้นรู้ทันจะเป็นด้านบวกจะเป็นด้านลบ คือด้านกลางๆก็คือรู้เท่ากันนะจนจนสุดท้ายว่าจิตมันก็มันก็ไม่ได้คิดว่าอะไรบวกอะไรลบนะอะไรกลางมันก็เป็นเพียงแค่อาการที่เกิดขึ้นเท่านั้นอันนี้คือจิตมันจะเป็นกลางมันจะเริ่มจืดจะเรียกว่าจืดกับอารมณ์ก็ได้นะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมันก็ค่อนข้างจืดนะมันจืดไปมันเห็นโลกมันจืดชืดมันน่าเบื่อหน้าเบื่อนายไม่อยากเอากับโรคใบนี้นะ ก็ไม่ใช่ว่าไม่อยากเอาอะไรกับคนอื่นหรอกนะภายนอกมันก็ยังเอามันก็ยังทำอยู่แต่ภายในมันมันมันเอาแบบไม่เอาอะนะมันเอาแบบไม่เอามันก็มันก็เอาอยู่แต่มันเพียงว่ามันรู้ว่าเอาไม่ได้มันก็ไม่ใช่จะเอาแบบยึดไว้เป็นตัวเป็นตนอะไรนะสติมันก็รู้มันต้องรักษาต้องเรียกว่าต้องสร้างอยู่แต่มันก็ไม่ใช่ว่าจะหายไปไม่ได้หายไปก็ไม่เป็นไรก็สร้างขึ้นใหม่ แ, แท้ที่จริงแล้วถ้ามันมีปัญญามากกว่า น, นั้นมันก็จะเห็นว่าอ๋อแท้ที่จริงแล้วสติมันก็มีอยู่แล้วนะสติมันมีอยู่แล้วความหลงมันมาชั่วคราวเท่านั้นแหละนะรู้ทันความหลงตัวสติมันก็เกิดขึ้นนะมันก็มีอยู่แล้วตรงนั้นเป็นเช่นนั้นของมันเองแล้วก็เห็นอาการตรงเนี้ยเห็นแล้วก็ศึกษาตรงนี้ไปมันก็จะเกิดปัญญาเข้าใจเรื่องของสังขารก็คือเรื่องของร่างกายและเรื่องของจิตใจเนี่ยแหละนะ การปฏิบัติธรรมไม่มีอะไรมากมาศึกษาที่ตัวของเราเองนี่แหละนะสนใจสิ่งอื่นภายนอกก็ต้องกลับมาสนใจตัวเองด้วยนะสนใจตรงนี้เป็นหน้าที่หลักของของพวกเราทุกคนเนาะเราทุกคนได้มาบวชนะจะเป็นเป็นพระก็ดีเป็นแม่ชีก็ดีหรือแม้แต่เป็นญาติโยมได้มาปฏิบัติธรรมก็ดีถือว่าเป็นโอกาสที่ดีกับชีวิตของเราแล้วนะไม่มีโอกาสไหนจะดีเท่าโอกาส การได้เกิดในชาตินี้แล้วนะอย่าไปรอชาติอื่นเอาชาตินี้แหละให้มันเต็มที่ที่จริงเอาวันนี้เอาเวลานี้ให้มันเต็มที่เราจะได้ไม่เสียดายน ะ, ะถ้าเกิดวันพรุ่งนี้เราต้องตายไปเราจะมาเสียใจว่าออวันนี้ไม่ได้ทำให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะถ้าวันนี้เราไม่ได้ทำให้ดีที่สุดนะเพราะว่าเราจะเกิดความเสียดายมากถ้าถ้าเรา ติตัวเองหมายถึงว่าเห็นรอยตาหนิเห็นรอยบอกพร่องในใจในตัวของเราเองแล้วโอ้มาเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเราอุบะเราอุสาห์บวชมาแล้วหลายปีหลายเดือนแต่เราได้ภาวนา น, นิดเดียวเองนั่เป็นปเรื่องที่น่าเสียดายหรือเราได้เกิดมาทําบุญทําทานได้มาเข้าวัดเข้าวามาต้องม า, านานแล้วแก่แล้วเออแต่จิตใจเราังไม่ค่อยเปลี่ยนเลยนะจิตใจเรายังไม่ค่อย เข้าถึงทาเลยนะมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะหันั้นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่ว่า mm. การที่ไม่ได้รวยเหมือนเขาไม่ได้มีมากเหมือนเขาไม่ใช่หรอกเรื่องพวกนั้นไม่น่าเสียดายเลยเพราะว่าใครจะมีมากขนาดไหนก็เอาไปไม่ไดนะ้ใครจะทำงานทำการใครจะจบปริญญาอะไรก็มไม่ได้เรื่องน่าเสียดายเลยเพราะว่าตายไปก็ออกไปไม่ได้ทุกคนนะแต่เรื่องที่น่าเสียดายก็คือว่า เราได้มีโอกาสเกิดมาเป็นมนุษย์พรพระพุทธศาสนาแล้วแต่เราไม่ได้ทำตามนะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เรียนรู้ธรรมะไม่ไดนะ้เรียกว่าศึกษาตามผู้รู้ก็คือพระสุปฏิปโนทั้งหลายอันนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่สุดหรือแม้แต่เราได้อยู่ในวัดที่มีหลวงพ่อคำเขียนอยู่ได้บอกได้สอนได้ทาให้พวกเราดูแต่ถ้าพวกเราเพียงแค่ดูแต่ไม่ ย้อนเข้ามาดูที่ตัวของเราด้วยว่าอ้อหลวงพ่อทําเช่นไรเราทําเช่นนั้นหรือเปล่าหลวงพ่อพูดเช่นไรเราได้กระทําอย่างที่หลวงพ่อพูดหรือเปล่าถ้าเราใช้เวลาตอนนี้มาเป็นการตรวจสอบดูว่าอ๋อหลวงพ่อพูดเช่นนั้นพระพุทธเจ้าพูดเช่นนั้นเราได้ทําเช่นนั้นไหมหลวงพ่อทําเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทําเช่นนั้นเราได้ทําเช่นนั้นไหมหรือแม้แต่เราได้อ่านหนังสือเราได้ฟังจากใคร เราได้กลับมาทบทวนดูข้อบกพร่องในใจของเราเนี่ยแหละข้อบกพร่องในตัวของเราเนี่ย้าแล้วก็เอามาแก้ไขตัวเองบางทีอาจจะมีคนมาเตือนมาบอกถึงกุติถึงที่พักหรือทุกขณะเราก็อาศัยตนนั่นแหละเตือนตนเป็นดีที่สุดนะดูข้อบกพร่องของตัวเองแล้วก็เตือนตัวเองเนี่แหละเป็นสิ่งที่มีค่ามากนะแล้วตัวนี้จะเป็นปัญญาที่ติดตัวจิตใจของเราไปตลอดเลยสติตัวนี้แหละนะจะเป็นตัวเตือนนะแล้วก็ มันจะเกิดปัญญาในการเข้าใจความจริงทุกสิ่งทุกอย่างนะอันนี้ก็เรียกว่าก็พูดให้ฟังเป็นเป็นแง่คิดเนาะเป็นแง่คิดไว้เพราะว่าเราอยู่ด้วยกันก็ไม่ไม่สามารถทำแทนกันได้นะมีแต่พูดให้กันฟังเท่านั้นมีแต่ทำให้กันดูหรือไม่แต่มีแต่การช่วยเหลือแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบภายในวัดทำให้กันได้เท่านั้น แต่บุญกุศลหรือว่าบาปกรรมที่เราทำมาเป็นเรื่องเฉพาะตนหรือแม้แต่เรื่องของการภาวนานะเรื่องการเข้าถึงมรรคผลนิพพานก็เป็นเรื่องของเฉพาะตนเท่านั้นนั้นมีแต่ตนเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งของตนนะนะ ก, ก็ฝากไวนะ้ให้ได้กระทํากันเนาะจ ะ, จะได้ไม่เสียดายที่ที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้มาอยู่ที่แห่งนี้นะแล้วก็ได้กระทาให้ถึงที่สุดแห่งกองทุกข ด้วยการทุกคนทุกท่านด้วยเธิน